สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนยามบ่ายนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากนักเนาะ mm. แล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่ได้พบกันอีกครั้งในและก็ได้ร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องนะคะ mm. ขอบพระคุณพระองค์สําหรับโอกาสที่ได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะ mm. พระวจนะของพระเจ้าเป็นของขวัญล้ําค่าสําหรับ ทั้งผู้ที่รับการแบ่งปันและผู้แบ่งปันนะคะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อการรับและการแบ่งปันพราวจนะในครั้งนี้ค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงครอบครองทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ไม่ทรงทอดทิ้งมนุษย์ที่เป็นคนบาปพระองค์ผู้ไม่ประสงค์ให้ใครสักคนหนึ่งต้องพลาดไปจากทางของพระองค์ ขอบคุณสําหรับเทศกาลเข้าสู่ธรรมที่ได้ดําเนินมาจนถึงใกล้ถึงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในทุกๆวันได้มีโอกาสที่ใกล้คนตนเองได้สํารวจตนเองในการติดตามพระองค์ขอพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทุกคนที่ได้ฟังพระว จ, จนะของพระองค์ขอโปรดทรงนําทุกถ้อยคำแห่งพระว จ, จนะ ผ่านผู้ที่พระองค์ทรงใช้ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และไม่ผิดพลาดจากพระประสงค์ของพระองค์ให้พระวจะนะในบ่ายวันนี้ได้ทำงานในจิตใจและจิตวิญญาณของพี่น้องทุกๆคนเพื่อให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างที่พระองค์ทร ง, งพอพระทยัยควรค่ากับที่พระองค์ทรงทรหดอดทนต่อความเจ็บปวดทุกทรมานและอับอายเพื่อเราบนไม้กางเขน กราบทูลขอการสถิตและการทรงนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อกี้เราก็ล้อกันว่าถ้าผู้นำไม่ถึงสามโมงเราจะไม่ขึ้นจุดท้ายก็ต้องขึ้นนะคะไม่มีอะไรยับยั้งเราได้ <c oughs> แล้วก็เราก็จะมีอาหารทานรับประทานเพราะว่าเราได้เตรียมเผื่อไว้แล้วนิดหน่อยว่าเราจะต้องยืดเวลาให้ถึงใน ในเวลาที่สมควรนะคะก็เ <g iggle> <g iggle> พราะว่าจนะที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้มาจากพระธรรมฮิบูนะคะบทที่12ข้อหนึ่งถึงข้อ2นะคะเราอ่านพระธรรมด้วยกันอีกสักครั้งดีงกว่านะคะมองเห็นไหมเ อ, อ่ยอันนี้เป็นคนละอันนี้เป็น2011นะคะก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่เนื้อความไม่ ไม่ต่างกันอันหนึ่งสองซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทาให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ทรงรเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพระธรรมพิบูนะคะมีทั้งหมด13บาบทด้วยกันนะคะบทที่เรายกมาวันนี้เป็นบทที่12ซึ่งถ้าเราแบ่งโครงเรื่องทั้งพระธรรมพิบูออกเป็นสี่ส่วน บทนี้จะอยู่ในส่วนที่สซึ่งเป็นส่วนของการตอบสนองต่อความเชื่อหัวข้อของเราคืออย่าให้ความอับอายของพระเยซพระผู้ช่วยให้รอดสูญเปล่าสิ่งนี้เป็นการตอบสนองต่อความเชื่อของเรานะคะพระธรรมตอนเนี้จัดได้ว่าเป็นคําเตือนเตือนให้เราคิดแล้วก็ปฏิบัติตัวให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับการไถ่ ให้ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ทิ้งบาปที่เกาะแน่นแล้ววิ่งแข่งด้วยความทรโหรอดทนโดยจับตามองที่พระเยซูพูดทำตัวอย่างให้เราเห็นในความอดทนต่อความทุกข์ยากปกติแล้วเนะี่ยคนเราจะสำนึกได้ในพระคุณของใครสักคนอย่างจริงใจบางครั้งเราก็ต้องผ่านกระบวนการทบทวนคุณค่าที่เราได้มาที่เราได้รับมาในชีวิต ของเราแบบถี่ถ้วนลึกซึ้งและทำบ่อยๆนะคะเพราะเรามักจะหลงลืมและก็เรามีธรรมชาติบาปที่จะนึกถึงตัวเองก่อนสิ่งอื่นเสมอพวกเราถูกไถให้รอดความรอดที่ได้รับมาทั้งที่ไม่สมควรจะได้รับนั้นแลกมาด้วยความทนทุกข์และความอับอายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนะคะ ถึงกันนั้นพระองค์ก็ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญในฮิบูข้อที่สองนะค ะ, ะบทที่สบห้าข้อที่สองนะคะพวกเรายังสมควรนะคะที่จะได้ยินเรื่องราวการทนทุกข์ของพระคริสต์ไม่ใช่ได้ยินแต่เรื่องความสุขความสำเร็จในชีวิตที่เรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะคะ ดังที่อัคระสาวกเปโตกล่าวในหนึ่งเปโตบทที่สองข้อยนะคะเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านและพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ดังนั้นหากมีวันใดที่เราอ่อนละอากับความกา ร, รเผชิญความทุกข์นะคะ ขอให้เราทุกคนเนี่ยระลึกถึงการเตือนหรือสอนเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระคริสต์การที่เราจะสามารถเป็นสาวกที่เข้มแข็งได้นั้นนอกจากเราจะถูกเติมเต็มด้วยพระพรแล้วเรายังจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากด้วยอย่างที่พระธรรมโรมบทที่5ข้อ3ถึงบอกเราว่านะคะขอพระธรรมโรมนิดนึงนะคะจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะ ยิ่งกว่านั้นอขอข อ, อาจารย์คะขอสไลด์ด้วยค่ะติดขัดนิดนึงพระธรรมรงบอกเราว่ายังไงนะคะพระธรรมรงบอกว่าว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทอรหดอดทน และความทรหาอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้เราทาให้มีความหวังและความหวังก็จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วอย่างไรก็ตามถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่สมา่าเสมอกับพระเจ้าเราจะตระหนักจากใจในความทุกข์ที่เราผ่านเข้าไปนั้นทุกๆความทุกข์นะคะ ว่ามีพระพรของพระองค์พอเพียงให้เรามีกำลังเสมอนะคะเราไม่ได้นิยมทุกบางคนจะบอกว่าเออพระเจ้ามีแต่อวยพระพรให้พูดถึงการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องของการอวยพระพรในสิ่งต่างๆแล้วไม่พูดถึงความทุกข์เลยไม่ใช่นะคะเพราะว่าพระพรของพระองค์พอเพียงเสมอไม่ว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์นะคะแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราถูกบังคับให้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ หรือพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้ความทุกขนั้นเกิดกับเราโดยไม่มีวัตถุประสงค์นะคะกลับไปที่เนื้อหาของเราซึ่งบอกเราเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมารและความอับอายที่พระคริสต์ได้รับเพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดในพระธรรมฮิบบูบทที่สิบสองนะคะข้อ2พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้านะคะจุดประสงค์ในบ่ายวันนี้คือแสดงให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสทบทวนถึงการทนทุกข์ของพระเยซูซึ่งนับได้ว่าเป็นความอัปยศที่พระองค์ทรงได้รับเพื่อสํานึกในพระคุณที่พระองค์ไถ่าบาปเพื่อเรา อย่างไรก็ตามการสํานึกนี้นะคะก็ย้อนกลับมาให้เราอยู่ดีนะคะให้เราเป็นผู้ได้อีกไม่ใช่พระเยซูเป็นผู้ได้การสํานึกจดจํานี้จะเป็นพลังให้เราที่จะดําเนินชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกอย่างบากบัน่นพอเราอดอดทนนะคะเพื่อไม่ให้ความเจ็บปวดความอับอายของพระเยซูเพราะผู้ช่วยให้รอดของเราสูญเปล่านะคะ พระเยซูต้องเผชิญและต้องผ่านความอับยศยที่น่าละอายที่สุดอย่างไรเพื่อช่วยให้เรารอดเราจึงต้องรู้สึกถึงความอับอายนั้นด้วยนะคะและระลึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เสมอเพื่อเราจะเดินตามพระองค์โดยไม่ให้ความอับอายของพระผู้ช่วยให้รอดของเราสูญเปล่าพระเยซูต้องผ่านเหตุการณ์ที่น่าละอายและสอนให้เราได้เห็นการตอบสนองของพระองค์ต่อความทุกข์ ความอับอายที่พระองค์เผชิญ3ประการนะคะประการที่1ก็คือพระองค์ทรงต้องอเผชิญกับข้อกล่าวหาที่น่าอับอายนะคะเราเข้าประการที่1เลยนะคะพระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาปนี่เรารู้อยู่แล้วนะคะพระองค์ไม่เคยทำผิดแม้ปีลาภูวาราชการโรมันที่ตรึงพระองค์บนบางแขนยังกล่าวว่า เราไม่พบความผิดในผู้ชายผู้นี้นะคะ อ, อ่าะในพระธรรมอันนี้จากพระธรรมรูการนะคะปีลาหังบอกว่าเราไม่พบความผิดในคนผู้นี้แม้แต่น้อยในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ38มนะคะแต่พระเยซูก็ถูกกระทำเหมือนกับคนบาปและเลวร้ายที่สุดพระองค์ทรงถูกตัดสินโดยสารสูงสุด กล่าวหาว่าความผิดของพระองค์คือการดูหมิ่นพระเจ้าพระองค์ทรงถูกลงโทษโดยปราศจากความผิดปกติเราได้ยินเรื่องราวของคนที่ทำได้รับลงโทษโดยที่ไม่มีผิดเราก็สะเทือนใจแล้วแต่นี้พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าเป็นองค์ผู้บริสุทธิ์กลับได้รับความผิดนั้นนะคะแล้วก็พระองค์ทรงถูกลงโทษ โดยวิธีประหารนักโทษของโรมันที่กระทำต่อทาตหรือต่ออาชญากรรลายแรงนะคะพ่องดูหมิ่นพระเจ้าหรือเปล่าพระเยซูผู้ซึ่งร้องไห้ต่อพระเจ้าจนเหงื่อของพระองค์กลายเป็นเลือดแล้วส่งร้องว่าพระบิดาอย่าให้เป็นพระประสงค์ของเราแต่ขอให้สำเร็จตามน้าพระทัยของพระองค์อย่างนี้หรือที่เรียกว่าดูหมินพระเจ้านะคะ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปรเซนและทรงที่ลงมาเป็นมนุษย์ร้อยปอร์เซพระองค์จึงทรงตรัสพระองค์ตรัสทุกสิ่งด้วยความจริงสิ่งที่องค์พูดก็คือสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระองค์เป็นและที่พระองค์ได้รับจากพระเจ้าพระบิดาพระเยซูไม่เคยกล่าวหมิ่นประมาทต่อพระบิดาของพระองค์แม้แต่ครั้งเดียวข้อหาที่คนให้แก่พระองค์ก็คือชายคนนี้ดูหมิ่นพระเจ้า ทำตัวเสมอพระเจ้าเป็นการกระทําที่ใส่ร้ายพระองค์อย่างน่าอับอายที่สุดนะคะนอกจากนั้นพวกเขายังกล่าวหาว่าพระองค์เนี่ยก่อการกรบฏพวกพวกเขาบอกว่าพระองค์คือคนทรยศต่อจั ก, กรพรรดิโรมันนะคะพวกเขากล่าวว่าพระองค์บอกผู้คนว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แน่นอนกรณีนี้พระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกประการนะคะ ตอนที่ผู้คนพยายามบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาพระองค์ก็เสด็จออกจากพวกเขาและไปอธิษฐานในถิ่นธุรกรันดารพระองค์ทรงตัดกับบิราดว่าอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้พระองค์ไม่เคยนำใครต่อต้านประท้วงรัฐบาลใช่ไหมคะพวกเขากล่าวหาพระองค์ทั้งนั้นนะคะพระเยซูต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและน่าอับอาย ซึ่งชีวิต น, นี้เราอาจจะไม่ต้องโดนเช่นนั้นนะคะประการที่สองที่พระ อ, องค์ทรงรเผชิญและพระ อ, องค์ทรงตอบสนองต่อความทุกข์ก็คือพระเยซูทรงตอบสนองเหตุการณ์ด้วยความอดทนและยอมอับอายต่อข้อกล่าวหาของฝูงชนนะคะพระเยซูถูกฝูงชนเยาะเยอ้ยอย่างหนักพระองค์ได้รับความอับอายเป็นอย่างมากนะคะ พวกทหารเนี่ยถอดเสื้อผ้าของพระองค์ถึงสองครั้งนะคะถอดจนร่างกายเปื่อยเปล่าแล้วร่างของพระองค์เนี่ยถูกเปื้ยสองครั้งนะคะครั้งแรกก็เปืยเพื่อเพื่อจะนำเอาเสื้อคลุมมาใส่แล้วก็ล้อเลียนถากถางว่านเนี่ยหรือกรสัสนะคะครั้งที่2คือถอดเสื้อคลุมออกแล้วมาเล่นพนันกันว่าใครจะได้เสื้อคลุมนั้น พระ อ, องค์ไม่ไม่เคยซ่อนได้ไม่อาจซ่อนได้เลยร่างกายที่ป่วยเป่าะจากการจ้องมองและปากที่ย่อเย้ยอของฝูงชนที่ชั่วร้ายนะคะในขณะที่พระ อ, องค์ถูกตรึงนั้นพวกเขาก็ยังเย่ะเยะ้ยเย้ยหย่านพระ อ, องค์ในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขากล่าวว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนพวกเขาตะโกนใส่พระ อ, องค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อบ้างเขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าแม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วยนะคะการเย้ยหยันพระองค์ของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรที่น่าละอายมากไปกว่า น, นั้นอีกแล้วนะคะ แต่พระองค์ยังทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสําคัญอะไรยังมีอีกที่พวกเขาเย้ยหยันและ ห, หัวร้อยย่อพระองค์ในฐานะเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่พวกเขาเกลียดชังพระองค์หัวร้อยย่อพระองค์และนําพระองค์ไปสู่ความอับอายความจริงเราก็รู้ว่าพระองค์มีฤทธิ์อานาจ พระ อ, องค์สามารถเรียกทูตสวรรค์เป็นพันๆมาล้างแค้นทำลายคนเหล่านั้นได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันพระ อ, องค์ก็สามารถเรียกให้พื้นดินใต้เท้าของพวกเขาเปิดแยกและก็เปิดแยกออกแล้วดูดลงไปอย่างเช่นเมื่อตอนที่โคราพูดต่อต้านโมเสสในกนารนำวิถีว่าชีวิตเป็นเป็นลงไปในหลุมนะคะคำชั่วชาที่พวกเขาพูดกับพระคริสต์พระ อ, องค์สามารถเรียกไฟลงมาจากสวรรค์ และเผาทำลายชีวิตของพวกเขาอย่างที่เอริยากระทำให้กับกษัตริย์อาหักก็ได้นะคะแต่พระองค์ไม่ทรงปริปากเพื่อป้องกันตัวเองหรือเพื่อคัดค้านคำกล่าวหาต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเอาพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างนะคะขณะพระองค์ทรงทุนทุกขนาดนั้นเมื่อเทียบกับความทุกข์ของเราแล้วมันช่างน้อยกว่าพระองค์เยอะมากนะคะ พวกเขายังเย้ยหย่านพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้พยากรณ์อีกนะคะวกเขาปิดตาพระองค์แล้วพวกเขาก็ตบพระองค์ด้วยกำปั้นแล้วกล่าวว่าเจ้าพระคริสต์จงพยากรณให้เรารู้ว่าใครตบเจ้านะคะอตอนนี้อยู่ในพระธรรมทิวบทที่2 6่สข้อหกนะคะมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ถึงสิ่งที่คนเหล่านั้นเนี่ยกระทําต่อพระคริสต์ผู้พยากรณ์นะคะ พระองค์ทรงโดนปิดตาและถูกล้อเลียและถูดูถูกแถมเหตุการณ์นี้ยังเกิดในบ้านของมหาปุโรหิตอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะพระองค์ยังได้รับความทุกข์ถูกเยอะเย้ยในฐานะเป็นมหาปุโรหิตของเราพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกในฐานะที่เป็นปุโรหิตของเราและเพื่อถวายเครื่องบูชาให้เรานะคะแต่พวกเขาเย้ยหยันถึงการเป็นปุโรหิตของพระองค์ด้วยนะคะ ความรอดทั้งหมดอยู่ในมือปุโรหิตตอนนี้พวกเขาพูดกับพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงช่วยตัวเองและพวกเราด้วยพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตหิดนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเมสสโปโดกลูกแกะของพระเจ้าที่แบกเอาความผิดบาปของโลกพระองค์ทรงรับการทรมานเพราะการการะทําของพวกเขาแต่พระเยซูกลับทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสําคัญอะไร ประการที่สพระเยซูทรงได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและอับอายถึงที่สุดบนไม้กางเขนเริ่มจากการที่พระองค์ทรงถูกเยาะเย้ยและก็ถูกโบยตีดังผู้เผย พ, พระวจนะในพระธรรมอิสยานะคะกล่าวว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีการเคี่ยนที่แผ่นหลังของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะผู้คนก็ยังหัวเราะชอบใจเวลาที่เห็นพระโลหิตของพระองค์พุ่งไหลออกมานะคะแล้วก็เนื้อที่ฉีกออกผู้คนยังพูดเยาะเยอะให้ได้อับอายตลอดเวลาที่พระองค์ทรงเจ็บปวด พระองค์ถูกเยาะเย้ยเพื่อสร้างความเจ็บป่วยให้กับพระองค์เจ็บปวดให้กับพระองค์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่เพื่อให้เราได้รอดจากพระอัฏฐยาผ่านพระองค์ผู้ทรงเป็นเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์และอันบริสุทธิ์พระองค์จึงถูกยอมเกลียดและรับความอัปยศนั้นนะคะและจากนั้นพระองค์ยังต้องแบกกางเขนมาเพื่อเป็นหลักประหารของพระองค์เองที่กางเขนพวกเขาตอกตะปูนะคะลงบนฝ่ามือ ของพระ อ, องค์นะคะเช่นเดิมก็ยังคงเย่ะเย้ยต่อนะคะแล้วหั ว, วเราะย่ะถึงความทุกข์ของพระ อ, องค์อย่างต่อเนื่องพวกปุโรหิตแล้วก็พวกธรรมาจาร์ที่นั่งนั่งได้แต่นั่งดูนะคะนั่งแล้วก็ดูพระ อ, องคทง์ทรงถูกทรมานอยู่บนกางเขนต่อไปนะคะในใจก็เยอะเย้ยนะคะประชาชนไม่มีโอกาสละที่จะได้ติดตามเขาได้ติดตามชายคนนี้ที่เที่ยวรักษาโรคให้คนหายทำคนให้ฟื้นจากตาย ะะไม่มีอีกแล้วนะคะพวกเขายเย่ะเย้ยพระองค์แล้วถึงตอนท้ายสุดที่พระองค์กล่าวว่าพระองค์ทรงเรากระหายน้ำนะคะพวกเขายังนําน้ําองุ่นเปรี้ยวมาให้พระองค์นะคะการนําองุ่นเปรี้ยวน้ําองุ่นเปรี้ยวมาให้พระองค์เนี่ยเป็นการย่อเย้ยที่ให้ทรมานมากขึ้นกับปากที่แห้งแล้วก็ลิ้นที่บวมเราลองนึกนะคะพระองค์อยู่บนไม้กางเขนถูกทรมานมาตลอดเลย ขนาดเราไม่ได้กินน้ำเนี่ยไม่ได้เสียเลือดไม่ได้เสียเนื้อเนี่ยปากเราแห้งเนบางทีเราปากแตกเป็นแผลแล้วลิ้นเราก็รู้สึกคับในปากนะคะแต่พระองค์ทั้งปากแห้งและลิ้นแตกแต่เข้าส่งน้ําอนุ่นเปรีย้ยวให้กับพระองค์นะคะถึงตอนนี้เรามองเห็นพระเยซูที่ยังยืนหยัดอยู่บนไมก้กางเขนอย่างอดทนนะคะในสภาพที่น่ากลัว แล้วก็ท่ากลางคนชั่วที่ทำร้ายพระองค์นะคะถมน้ําลายใส่พระองค์ด้วยพระกายของพระองค์เต็มไปด้วยบาดแผลนะคะไม้กางเขนเนี่ยเราเรารู้สึกยังไงกับสัญลักษณ์ไม้กางเขนในปัจจุบันน้อยครั้งที่เราจะมีภาพแห่งเมื่อเรามองไม้กางเขนแล้วเราจะรู้สึกถึงและลึกได้ถึงความเจ็บปวดและความอับอายในหที่ พระคริสต์ทรงได้รับในเส้นทางสู่กังเขนนะคะการถูกตรึงที่กังเขนเป็นเรื่องที่เลวร้วายนะคะและเป็นการลงโทษที่โหดและน่ากลัวที่สุดเป็นวิธีการทรมานและเจ็บปวดที่ยาวนานก่อนจะเสียชีวิตถ้าใครอ่านได้อ่านหนัง ส, สือเลนส์ของเรานะคะในวันที่29 30ของ เ, ออเทศกาลเข้าสู่ธรรมเนี่ยจะตรงกับตอนนี้นะคะ การตรึงบนไม้กางเขนเป็นเราคงเห็นภาพยนตร์หรือเห็นเรื่องได้ยินเรื่องราวเหล่านี้หลายๆครั้งแล้วว่าการตรึงด้วยตะปูที่มือและเท้าของพระเยซูเข้ากับไม้กางเขนเมื่อแขนทั้งสองข้างเราใช้คำว่าพระเยซูแทนว่าแทนคนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกของพระองค์เมื่อแขนทั้งสองข้างของพระเยซูเหยียดออกน้ําหนักของร่างกายก็จะท่วงลงจากข้อมือ ดึงกล้ามเนื้อนะคะส่งอกที่มีหน้าที่ช่วยในการหายใจนะคะปกติเราหายใจเราจะต้องใช้กระบังลมและกล้ามเนื้อของหน้าอกเนี่ยเป็นการขยับขยายปอดหรือหดเข้าเพื่อที่จะหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อเราเมื่อเมื่อพระองค์ถูกตึงขึ้นไปยืนแขนถูกเหยียดออกเนี่ยร่างกายถูกตึงลงเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันยืดหรือมันหดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะ ยกลำตัวขึ้นยกทรงอกขึ้นเพื่อหายใจแต่ละเฮือกเนี่ยมันทรมานมากนะคะไม่นับถึงบาดแผลที่บาดเจ็บเฮือกหนึ่งก็เจ็บปวดรวดลาวนะคะจนไม่มีแรงจะยกต่อไปนะคะเพราะนั้นการการที่พระองค์สิ้นพระชนเนี่ยนอกจากจะทรมานแล้วการหายใจที่ได้รับเนี่ยออกซิเจนเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆ ด้วยเพราะมันไม่มีแรงที่จะยกให้กล้ามเนื้อหรือกระ บ, บังลมทำงานนะคะแท่ที่ถูกแท่ที่โดนเครียดเนี่ยแท่ที่พระองค์ได้รับการถูกเครียดเนี่ยก็เป็นเส้นหนังหลายๆเส้นซึ่งตรงปลายมีกระดูกหรือหินแหลมๆผูกติดอยู่เราโดนเส้นเดียวก็แย่แล้วนี่หวดออกมาทีละหลายๆเส้นแถมยังมีของแหลมๆอีกนะคะ สัญลักษณ์ของกางเขนนั้นคือความน่ากลัวและความเจ็บปวดสาหัสซึ่งเราควรที่จะลึกๆถึงนะคะมันเป็นเรื่องน่าละอายที่ผู้บริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตบนไม้กางเขนนะคะการถูกตรึงที่กางเขนของพระเยซูนั้นถือว่าเลวร้ายยิ่งกว่าคนอื่นๆเพราะว่าพราะองค์ต้องแบกกางเขนของตอนเดินตามท้องถนนและถูกตรึงที่กางเขนระหว่างโจร2คนนะคะพระองค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลวที่สุด ทั้งทั้งที่บงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์การสิ้นประชนกของพระองค์ก็อับอายที่สุดแต่พระองค์ก็อดทนต่อการกระทำอลเลวรไลเชนีบงกางเขนนะคะเพื่อความรอดของเราและเป็นตัวอย่างให้เรานะคะพระองค์ทรงสูญเสียเพื่อทําให้ผู้ยอมตายและเพราะความเชื่อเนี่ยจะได้เข้มแข็งพระองค์ยอมจากพระบิดานะคะตอนนี้เป็นตอนที่พระพระบิดาทรงอนุ ญ, ญาตให้มีการลงโทษพระองค์เพราะความบาปของเรานะคะ นี่คือพระเยซูถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าและละทิ้งจากเพื่อนของพระองค์นะคะถูกตอกตะปูและเปือยกายอยู่ที่ท่อนไม้นะคะพระเยซูเผชิญความอับอายและความเจ็บปวดเพียงลำพังจิตวิญญาณของพระองค์รับความโศกเศร้าจนสิ้นพระชนเพื่อเราจะได้รอดพี่น้องที่รักคะได้โปรดจดจำถึงสิ่งที่พระเยซูผ่านทุกความเจ็บปวดและทุกความอับอาย ทุกความอับอยศก็เพื่อให้พี่น้องรอดพระองค์ทรงทนทุกทรมานบนกางเขตและทรงรับความอายถึงที่สุดเพื่อเรานะคะพระธรรมโรมบทที่หข้อ8ถึง9กล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังคนยังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา บัดนี้เราจึงเป็นคนชอบทำแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์นะคะถึงเวลาแล้วที่จะมองความทุกข์ของตนเป็นเรื่องเล็กน้อยในขณะที่พระเยซูผู้บริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจยอมเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสและอับอายถึงที่สุดเพียงลำพังพระเยซูทรงต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่น่าอบอาย พระเยซูทรงตอบสนองเหตุการณ์ด้วยความอดทนและยอมอับอายต่อข้อกล่าวหาพระเยซูทรงได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและอับอายถึงที่สุดบนไมก้กางเขนนะคะเรามาอ่านข้อพระคัมภีร์พร้อมกันอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความพรอหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังขนันเพื่อความ ด, ดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์จงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าความทุก ที่เราเผชิญอยู่ที่ดูหนักหนาสาหัสสำหรับเราเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์ได้รับใช่หมคะแลวเรายังมีพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่สถิตกับเราตลอดนะคะขอให้เราทุกคนเชื่อมั่นในพระองค์และก้าวผ่านชีวิตแต่ละวันทําในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพทัทัยและละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่บาปที่เกาะแน่น วิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นจุดมุ่งไปของเราที่เส้นชัยอย่าให้ความอับอายของพระเยซูสูญเปล่าขอพระเจ้าอวยพรพค่ะ